ครั้งที่แล้วพูดธรรมะหมวดแปดนะได้หัวข้อเดียวคือธรรมะที่มีอุปการะมากทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะเป็นหัวข้อธรรมที่ที่มีความสำคัญมากคือธรรมะที่มีอุปการะมากเนี่ยทุกๆอย่างถ้าใช้คำว่ามีอุปการะมากนี่ให้ให้ตั้งใจไว้เลยว่าเราควปรปฏิบัติตามนั้นตั้งอัตตาสัมมาปณิที่เลยนะว่าเราจะปฏิบัติตามนั้น เพราะว่ามันมีอุปการะมากคือเกื้อกูลต่อการตรัสรู้สูงมากเหมือนกันนะตัวปัจจัยแวดล้อมนี่ก็สำคัญมากนะในธรรมะที่มีอุปการะมากคือเหตุปัจจัยแปดประการที่เป็นไปเพื่อให้ได้ปัญญาที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เนี่ยนะคือปัจจัยที่ทำให้มีสมถะวิปัสนาอีกครั้งนึ่ง สมถาวิปัสสนานีเน่เป็นเบื้องต้นของอรรารยมรรคมรจันตัวนั้นชื่ออารยมรรคปัจจัยที่จะทําให้สมถาวิปัสสนาเกิดเนี่ยสำคัญนะนะซึ่งพระองค์ก็ยกมาว่าเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากนะนับตั้งแต่ข้อแรกการอาศัยครูข้อที่สองการเข้าไปสอบถามข้อที่สก็คือการหลีกเล่นเนี่ยนะข้อ1ข้อ2นี้ประกาศถึงปรตโตโคสะเนี่ยนะที่เป็นปัจจัยแก่ปัญญา ส่วนตั้งแต่ข้อสองขึ้นไปก็ให้เห็นผู้ที่จะโยนิสโสมนัสิการเนี่ยต้องมีองค์ประกอบข้อแรกก็หลีกเล่นนะการหลีกเล่นนี้เกื้อกูลต่อการโยนิสโสมนัสิการมากและก็สุตะพื้นฐานนี่ต้องสุตะมาเป็นอย่างดีถ้าสุตะมาไม่ดีเนี่ยไปนั่งเถอแต่แกลกอาจจะกำหนดลมได้นะ นับลมไปเรื่อยๆสักครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ไม่อยู่กับลมแล้วก็นี้ก็นั่งไม่คิดอะไรต่อไปดีอาจจะคิดลมก็ไม่เอาละก็นั่งไอ้ทีนี้ก็นั่งดูเวลาแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาสักทีไหมมีบางกลุ่มเน้นตั้งเวลาไปเลยสมมุติว่าวันนี้ จ, จะนั่งให้มันได้ชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันนั่งไปได้ยี่สิบนาทีแล้วนะมันหมดละเมื่อไหร่จะหมดชั่วโมงนนก็ดูนาฬิกามันเดินแต๊ แต่โอ๊ยนาทีแต่ละรอบนี่มันมากช้าเหลือเกินบางแห่งก็ใช้ทูบมาแล้วมาจุดฉันจะต้องนั่งให้ทูบหมดนะจึงจะลุกเหมือนกันทีนี้นั่งไปสักพักหนึ่งแรกๆมันมันดีใช่ไหมทูบมันยังหมดไม่ถึงครึ่งดอกเลยทีนี้ชักหมดหงิดแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดอนะนั่งอธิษฐานให้ทูบมันห ม, หมดเร็วๆหมดเลยเลจะได้ลุกได้คือผู้ที่ความรู้ไม่มีสุตตะไม่พอเนี่ยลักษณะนั้น ถ้าสมาทานจะนั่งตลอดยันสว่างแล้วก็เมื่อไรมันจะสว่างสักทีเมื่อไรมันจะสว่างสักทีเนี่ยนะก็เดือดร้อนเพราะว่าถ้าผู้ที่ไม่มีสุตะก็ไม่รู้ว่าจะเจริญอะไรเนี่ยนะสมมติว่านั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนั่งเฉยๆเนี่ยปกตินี้ถ้านั่งแบบใจลอยมันก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะทีนี้นั่งคิดอะไรให้มันตั้งตั้งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะสมมติว่าตั้งชั่วโมงหนึ่งที่นั่งตั้งชั่วโมงเอาอะไรมาคิดชั่วโมงหนึ่งให้มันมีมีประโยชน์ให้มันมีสาระ หรือเราเดินทางก็เหมือนกันสมมติว่าเดินทางจากณที่หนึ่งไปที่หนึ่งซึ่งเดินทางใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งอ่ะเอาอะไรมาคิดเนี่ยนะหรือคิดอะไรให้มันมีประโยชน์ถ้าอันนี้ถ้าพูดถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในช่วงการอ่านการฟังอ่ะนะไม่ได้อยู่ในเวลาอ่านเวลาฟังในระหว่างนั้นเนี่ยคิดอะไรอยู่เพราะถ้าไม่คิดคำสอนมันก็อกุศลวิตกแต่ทีนี้คนที่จะคิดคาสอนได้ก็ต้องมี โสตะเนี่ยนะอย่างน้อยต้องระลึกถึงคําสอนได้คุณเวลาวันก็เวลาอะไรก็ให้นึกถึงคําสอนเอาไว้เรื่องนี้พระพุทธเจ้าสอนมายังไงถ้ามันเรื่องกระดูกกรท่องอัติอัติอัติไว้นะอย่าไปไอน้นกแขกเต่ามันนกแขกเต่ายังได้กรรมฐานอัติอัติอัติใช่ไหมของเราก็อัติอัติเหมือนกันกระดูกครั้งนั้นกระดูกรั้งนั้นแหละ กระดูกเดินได้กระดูกน <Right. S 1> well, so ั่งได้กระดูกนอนได้กระดูกเดินได้กระดูกนั่งได้กระดูกนอนได้เอาอย่างนี้ก็ยังดีไม่ได้อะไรก็ท่องไว้เท่านี้แหละั่นอคิดถึงมาอไว้ก่อนิานั่รู้สมัขึ้นเลยนั่นแหละบคุณหมอเลยอ๋อทั้งก็ยังไงยังไงก็ไอ้นั่นรับหมอกายนะนี้ขงมาจะคุยเรื่องหมอใจอย่างเดียวจะรักษาใจยังไงน่นเคือให้มันได้กรรมฐานเอาไว้สักอย่างหนึ่งน่นคือ อย่างอธิกะสัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าสรรเสริญมากนะอธิกะสัญญาเนี่ยมีหลายแห่ง ก, ก็ควรเจริญนะใครไม่ได้อาการครบ32ก็ให้มันอย่างเดียวก็ได้เนี่ยกระดูกเดินได้กระดูกนั่งได้กระดูกนอนได้เนี่ยกระดูกเราเดินได้กระดูกภายในเดินได้กระดูกภายนอกเดินได้เนี่ยให้มันได้สักอย่างเดียวเนี่ยนะถามว่าผู้ที่ไม่ได้คิดจะไปสอนคนอื่นไม่ต้องไปอธิบายไม่ต้องไปแสดงไม่ต้องไปอะไรเลยเนี่ยนะ ถ้าอยู่กับกระดูกใคร่ครวนกระดูกมากๆเนี่ยถามว่าจะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไหมก็เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นจึงควรเจริญเนี่ยนะแต่ถ้าอเราเนี่ยเป็นคนเจ้าเหตุผลมากานะถ้ า, าถ้าอย่างนั้นก็ก็ศึกษาให้มากๆเพอะไม่ผพีหวังถ้าอย่างนั้นพระเพระในอดีตที่ที่มีอยู่หลายองค์งบรรดาท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้ ไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายเท่าไรเท่าที่สังเกตเพราะว่าก็ไม่ได้เธอคาว่าศึกษามากขอบเขตหมายถึงว่าไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกแบบกว้างขวางจะเรียกว่าไม่ได้ทรงคำพีทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วท่านก็ท่านก็เจริญสมาธิก็ดีเจริญสติอะไรก็ดีอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันเพราะฉะนั้นท่านเอาอะไรมาเอาอะไรมาเจริญใช่เพราะว่า ก็อย่างที่เราก็พูดกันอยู่ว่าท่านไม่ได้ได้ทรงพระใจพิดบกอะไรเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เหมือนอย่างนกแขกเต่าที่อธิอธิอธิเออนะอันนี้นี่เพียงพูดถึงตัวอย่างว่าถ้าถ้าจะให้มัญญาวิปปยุทธ์นะไม่ต้องไปสัมปยุทธ์อะไรมากมายเอาไว้แค่นี้ก่อนก็ดีละจะเรียกว่าเป็นวาสนาต่อไปนะเพราะพูดแบบแบบนกแขกเต่ามันไม่มียังไงชาตินี้ไม่ได้บรรลุอยู่แล้ว แต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงบุคคลทั่วๆไปเนี่ยนะที่ที่เป็นมนุษย์ว่า ง, งั้นเถอะที่สมควรกับการตรัสรู้เนี่ยเราก็ามาจับวัตถุประสงค์ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไรใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อะไรก่อนอนะตรัสรู้เพื่ออะไรตรัสรู้แล้วดียังไงเนี่ยนะบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจความรู้ในอริยสัสนี้เป็นธรรมะที่นําออกจากทุกขว่า ง, งั้นเถอะธรรมะที่ออกจากทุกทีนี้ในบรรดาทุกข์าอริยสัจทั้งหลายเนี่ยนะ บรรดาอาริยสัจเนี่ยอย่างทุกขาอาริยสัจทุกขาอาริยสัจนี่โดยหัวข้อธรรมนี่มีมากเหลือเกินเนี่ยนะเมื่อมีมากเนี่ยเราจะเอาอะไรมาทําปริญญาเป็นเป็นหลักปิกเป็นกิจกรรมประจําตัวเพรงั้นเถอะเป็นกิจกรรมประจําใจเราเลยเนี่ยฉันจะเอาอย่างหนึ่งละที่เรียกว่าเป็นปาริหาริยะกะกรรมฐานนะครับคืออีกสำนวนหนึ่งใช้ว่ามูลกรรมฐานเป็นมูลกรรมฐานประจําตัวเนี่ยนะคือเอามาบริหารมาไข่ค ร, ครวนอย่างนี้ แตก่ก็จับจุดเดิมไม่นะว่าอริยสัจนะทีแรกเนี่ยต้องเข้าใจคำว่าอริยสัจเพราะจุดมุ่งหมายจริงๆอะ่ะการตรัสรู้อริยสัจ ท, ทำให้พ้นทุกข์นี่ก็มาดูว่าในบรรดาการคร้ควรวนเนี่ยจะใข่ครควรอะไรนะที่จะก่อให้เกิดการแทงตลอดอริยสัจได้ก็อย่าลืมว่าการพิจารณาอะไรก็ตามถ้าเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอันนั้นถือว่าพิจารณาทุกขริยสัจแหลเนี่ยนะเอานะ ทุกขาริยสัตว์เนี่ยเอาอะไรก็ได้ที่มาพิจารณาแล้วเป็นไปเพื่อความเบือหน่ายให้ให้เห็นถึงความไม่เป็นสาระของอุปาทานขันห้าอย่างบางคนเนี่ยให้ความสําคัญกับส่วนสูงส่วนยาวส่วนกว้างอะไรมากพวกนี้ติดกระดูกนะเพราะมันจะสูงจะ ย, ยาวจะสั้นอะไรก็อยู่ที่กระดูกนะก็เอาคิดเรื่องกระดูกนี่ให้มากๆามาถ้าคิดอะไรไม่ได้ก็เอากระดูกเป็นหลักเอาไว้ทีนี้ถามว่ากระดูกเนี่ยถ้าคนที่ใคร่ครวญถึงกระดูกจริงๆเลยนะ หยดกระดูกจริงๆอ่ะถามว่าได้ฌานไหมได้ไหมปฐมฌานมีกระดูกเป็นอารมณ์ได้นะก็เลยไม่น่าเป็นห่วงเห็นไหมพันธาเจริญถูกต้องนั่นแหละคือการอบรมสมรัมมาทัศทีนี้คนที่คิดถึงกระดูกมากๆนะถามว่าฌานกามมวิตกจะเกิดมากไหมอันนั้นก็ตัดอกุศลวิตกอยู่แล้วทีนี้ถ้าใข้ครวญแบบนี้มากๆถามว่าเห็นภัยในวัตฏะมากขึ้นไหมมากพันถือว่าทํากิจสองเลยนะ หนึ่งทุกข์ษัตริย์เนี่ยเขาก็เห็นภยัยสองกา ม, มาวิตกไม่กลุ่มรุมเนี่ยนะเจริญสัจจะสองแล้วทีนี้ข้อที่สถามว่าเขามีมีฉันทะที่จะเจริญอันนี้ไหมว่าไอ้ ก, กลัวเจริญอันนี้แหละมันจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะการใคร่ครวนแบบนี้เป็นอุปนิสัยเพื่อความพ้นทุกข์นะการเจริญแบบนี้เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายในขันท่าเจริญแบบนี้เป็นไปเพื่อกําจัดอคุศลวิตกใน ในขันทั้งมวลเนี่ยนะถ้ามีอัธยาศัยแบบนี้นั่นแหละก็ถือว่าเข้าใจเรื่องอริยสัจนะที่เหลือก็คร้ครวนต่อไปนะถ้าจิตมันสงบแล้วไคร่ครวนไม่ยากกระดูกของแต่ละคนทำไมมันทำไมมันสูงไม่เท่ากันคนนี้สูงร้อยหกสิบห้าอะไรเป็นเครื่องวัดหรือร้อยเจ็ดสบนี่ยอะไรก็เอากระดูกเป็นเครื่องวัด น, นะเนเขาก็ไม่ได้นอนวัดใช่ไมเขายืนวัดอะ ไปยืนวัดก็เ อ, เ, อเอาโครงกระดูกกันแหละว่าใครจะสูงจะต่ำขนาดไหนห็นไหมทีนี้กระดูกนี่มันเป็นที่ตั้งของท่านอเอ็นมารัดเนื้อมาฉาบหนังมาปกปิดเรียกอะไรก็เรียกอย่างที่เราเรียกว่าใครเป็นใครเป็นใครเนี่ยนะก็คือโครงกระดูกที่มีเอ็นมารัดเนื้อมาฉาบหนังมาปกปิดเท่านั้นเองเห็นไห ก็เออชีวิตทั้งหมดที่เราเพลิดเพลินเนี่ยมันก็มีอยู่เท่านี้หรือควรหรือที่เราจะมาเพลิดเพลินในสิ่งนี้ควรหรือจะมีอภุสวรวิตกในสิ่งนี้อย่าลืมว่าต้นเหตุแห่งการเกิดขึ้นของวัตฏะก็คือการเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้สูตรมีอยู่ว่าผู้ใดเพลิดเพลินในทุกผู้นั้นก็ไม่พ้นไปจากไปจากทุกนั่นก็ถ้าเจริญมากๆ ม, มันก็จะเบื่อหน่ายในในกองทุกเนี่ยนะเมื่อเบื่อหน่ายในกองทุกเนี่ยเป็นก็จะเป็นไปเพื่อความ คลายกำหนัดตัดฉั้นธาคะเนี่ยนะบางก็บริหารกระดูกอย่างเดียวเนี่ยได้ทั้งฌานด้วยถ้าเจริญถูกต้องนะฌานเนี่ยได้เพราะคิดถึงกระดูกอย่างเดียวเนี่ยถ้าเจริญถูกต้องนะจนมันเป็นนิมิตแล้วบริหาร น, นิมิตอันหน้านั้นได้ได้ปฐมฌานเนี่ยนะแต่ถ้าปราลบกระดูกในวันละปรารบถึงวันละคือกสินคือเป็นสีกระดูกเป็นสีขาวใช่ไหมว่าโดยรวมๆกระดูกเป็นสีขาวจะต่อด้วยกสินต่อรูปฌ า, านได้สบายๆเลย นะเอาเอากสินเนี่ยมามากสินที่กระดูกเนี่ยนะก็มาเริ่มขยายยอ่อภาพให้มันเป็นสีขาวให้มันเล็กมันใหญ่มันเล็กมันใหญ่ขยายได้แล้วทําชานให้ได้แล้วเพิกนิมิตอันนั้นเข้าอารูปฌานต่อไปได้เพราะฉะนั้นก็ที่เหลือก็มาพิจารณากระดูกมันก็ไม่คนที่ถ้าไดอรูปฌานนะั่นถือว่าเบื่อหน่ายในรูปเต็มที่แล้วนั่นก็ต่อด้วยการพริจารณาถึงความไม่เที่ยง น, นะเป็นทุกเป็นอนัตตาของ ชานหรือของกุศลลจิตที่ไปพิจารณาสิ่งเหล่านั้นให้มากๆจะได้เบื่อหน่ายทั้งรูปทั้งนามเลยนะก็จะได้พ้นจากทุกได้เขาบอกถ้ารู้อย่างนี้แล้วไปเจริญนะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทาได้เขาเรียกว่าผู้เป็นผูสูตรในศาสนานี้ผมเทาที่สังเกต น, นะผมว่าเรื่องการการตึกเนี่ยอยู่ที่การฝึกด้วยคนระับ มันมันฝึกใหม่ๆก็ตึกไม่ค่อยออกเลยนะ<ม>แต่ถ้าว่าถ้ามันฝึกบ่อยๆนะมันไปได้แต่มักจะเป็นสั้นๆเป็นเรื่องๆไปนะะ<ม>เป็นสั้นๆนี่จะ ไ, ไม่เป็นทานเขาเป็นสีให้เป็นกุศลก็แล้วกั น, กนให้เป็นทานเนะี่ยสีก็ได้ภาวนาก็ได้แล้วสําหรับว่าถ้าให้เป็นมูลมูลกรรมฐานสําหรับสําหรับประสบการณ์นี่นะทุกผมเนี่ยผมผมมักจะเห็นว่า เป็นอาณาิรตสัญญาเนี่ยนะครับมากนะฮะตรงเนี้ยที่สังเกตดูนะฮะดูแล้วมันคือมันนี่มันมันเป็นอยู่ในช่วงไหนของอริยสัจก็คือท้ว่าให้ตรองก็คือกลุ่มเจริญทุกขานุปัสสนาพวกสัพพะโลเกียณาพิรตสัญญาเนี่ยนะว่าโลกทั้งมวลไม่น่าเพลิดเพลินสัพพะโลกโลกตัวนั้นคืออุปาทานขันห่านะไม่มีอุปาทานขันห้าสักขันหน้าเพลิดเพลินเลย ทำไมเพราะมันมีโทษเนี่ยนะที่ที่ไม่น่าเพลิดเพลินเพราะมันมีโทษก็กลุ่มนี้ก็คือกลุม่มทุกขานุปัสสนานี่นะพระจิตของพวกนี้โดยปกติทั่วไปจะน้อมไปในทางสมาธิเนี่ยนะโดยโดยพื้นฐานอัทยาศัยของเขาก็ที่เหลือก็ใครครวนถึงสมาธิด้วย น, นะ <c oughs> นก็ ต่อด้วยปกติจะต่อด้วยสมาธิแต่ขณะเดียวกันก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของของความคิดอันนั้นด้วยนะก็เอาจิตที่เบื่อหน่ายนี่มาทำปริญญาให้มากด้วยคือสัพพโลเกอนาพิรกาสัญญาเนี่ยดูดูไปแล้วสังเกตดูไปแล้วคล้ายๆมันคล้ายๆจะเป็นเป็นเรื่องของของโทสะไปนะคล้ายๆว่าเรามองมองโลกในแง่ร้ายหรือเปล่าอะไรนี่นคล้ายไปอย่างนั้นถ้าเป็นโทสะนะ โทสะมีแบ่งเป็นสองกลุ่มเนี่ยนะโทสะนี่โดยถ้าเอาเวทนามาอธิบายก็คือเวทนาที่อาศัยกลามกับอาศัยเนคขมะเนี่ยนะก็ถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คือจะโดยมากจะต่อด้วยเนคขมะถ้าเทียบกันแล้วถามว่าโสมนัสโดยอาศัยเนคขมะแบบนี้กับโสมนัสอาศัยกลามอันไหนดีกว่ากันถ้าแยกย่างไงเนีน โสมนัตเนี่ยหัวเราะสนุกสนานคลื่นเคลงเพลิดเพลินไปกับกามกับโทสะเพราะกุศลไม่เจริญเพราะมันไม่มีสาระเนี่ยอันไหนดีกักนเพราะไม่ไม่ข อ, ของมาถามว่าโสมนัตอาศัยกามดีใจเพราะได้กามกับเสียใจเพราะกุศลไม่เจริญเียนะถามว่าอันไหนดีกักน อันที่สองดีกว่าเพราะฉะนั้นถามว่าแบบนี้ควรเจริญไหมถ้ามองในแง่นี้ควรเจริญแต่พระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าควรเจริญโสมนัสอาศัยเนคขมะเพื่อละโทมนัสอาศัยเนคขมะนันะให้เจริญโสมนัสอาศัยเนคขมะเพื่อสลัดออกจากโทมนัสอาศัยเนคขมะอีกครั้งนันะแล้วก็เจริญอุเบขาโนนระดับอรูปฌานนั่นแหละเพื่อจะละโสมนัสพวกนั้นอีก แล้วก็น้อมจิตไปเพื่ออมตานิพพานธาตุเพื่อจะสลัดออกจากไออุเบขา น, นั้นอีกสลัดให้หมดเลยจนไม่มีเหลือนะทีละชินะช้นทีละชิ้นทีละชินะช้นเลยนจนกระทั่งก็กว่าสลัดแม้กระทั่งความคิดอันนั้นนะในที่สุดอนะจุดจบคือไม่เพลิดเพลินแม้กระทั่งความคิดอันนั้นต้องออกจากความคิดอันนั้นให้ได้แต่ก็ไม่ใช่ไปคิดหาขันอันใหม่นะไม่ใช่ จะออกจากขันโดยที่สุดแม้แต่ความคิดอันนั้นก็คือขันหแหไม่เอาไม่เที่ยงเหมือนกันหมดแหละมันน่าเบื่อนายเหมือนกันก็มีมพระอยู่รูปหนึ่งกันนะที่วัดา <c oughs> บอกผมนี่มันเบื่อหมดเลยเขา่ากงั้น มันเบื่อจริงๆเลยเขาบอกเงินเออสาธุอาจารย์ดีละอาจารย์เบื่อความคิดอันนั้นด้วยนะอาจารย์นี่โทรสะเลยนะฉันจะเบื่อไอ้คนมาพูดบอกอีกนะั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะเบื่อให้จริงมันต้องเบื่อไอ้ความคิดอันนั้นด้วยว่าไอ้ความคิดอันนี้มันก็น่าเบื่อเพราะมันก็ขันอีกเหมือนกันเห็นไหมเพราะว่าไม่งั้นนี่ก็จะคิดว่าไอ้ตัวความคิดนี้มันดีใช่ไหมก็จะไปมีมานะในไอ้ไอ้ความคิดอันนั้นอีกหมายฉันนี่ความคิดฉันเฉามากจริงไอ้ความคิดอันนั้นก็น่าเบื่อยเหมือนกัน คือหมายความว่า อ, อมันดีแล้วที่เบื่ออย่างนี้นะแต่ในขณะเดียวกันให้เบื่อไอความเบื่ออันนั้นอีกครั้งด้ว ย, ยคือจิตอยู่ในลึกซึ้งมากเลยคือจีวิตอย่างนี้เนี่ยมันทําให้ ข, ขัดกับขัดกับจริงแวดล้อมขัดกับครอบครัวขัดกับเพื่อนฝูงอะไรเนี่ยมันขัดหมดเลยเพราะเขาเห็นว่าสนุกเราก็เฉยๆอะไรอย่างนี้นะเห็นว่ามันดีเหลือเกินแล้วก็ทีนี้ในขณะเดียวกันเราต้องยอมรับว่าอถ้าอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคํานี้เนี่ย ถ้ากรรมมศกตาดีมันจะไม่มีปัญหาเลยคือต้องยอมรับว่าความเป็นเอกภาพของแต่ละคนเนี่ยนะเอกีภาพหรือความเป็นปัจเจกของแต่ละคนหมายความว่ากรรมและผลของกรรมนี้ถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวใช่ไหมเป็นเรื่องเฉพาะตัวถ้าเราเจริญอย่างนี้เนี่ยก็เรื่องเฉพาะตัวของเราถ้าเขาไม่เจริญก็เรื่องเฉพาะตัวของเราถ้าํานวนให้ตรงว่าถ้ายังแคร์กับบุคคลรอบข้างก็ ก็เราก็ไม่ได้เห็นคุณของเนคขมมะอย่างแท้จริงและไม่ได้เห็นโทษของการเกี่ยวข้องกันอย่างแท้จริงเนี่ยนะคือสังสักฆะเนี่ยนะอย่างอที่ลักษณะผู้การกล่าวเมื่อกี้เนี่ยนะอันนี้นี่ไม่ใช่ลักเกลในผู้การนะแต่ว่าทั่วๆไปถามว่านั่นก็ยังยินดีในสังสักฆะอยู่สังสักฆะแปลว่าการเกี่ยวข้องกันก็ถือว่ายังยินดีในการเกี่ยวข้องกันทีนี้บุคคลผู้เกี่ยวข้องกันก็ควรจะร่าเริงด้วยกันใช่ไหมอันนี้ ก็ถ้าถ้ายังถือว่าการร่าเริงร่วมกันยังยังยังดีอยู่ก็ยากที่จะเจริญแบบนี้ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นโทษว่าไอ้การร่าเริงอันนั้นเนี่ยจะนํามาเสื่งความเสียใจที่มากกว่านี้สมมุติถ้าอย่างเราทําตัวเฉยๆวันนี้นีมันจะไม่ค่อยมีอะไรกันมากเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าทําตัวร่าเริงร่วมกันมากๆเสร็จแล้วถ้าฐานะต้องจกักหรือฐานะที่มันผิดหวังต่อกันอย่างใดอย่างหนึ่งนี อันไหนจะหนักกว่ากันเนี่ยนะก็เรียกว่ามาช่างถึงอ่าสำนวนธรรมะใช้คำว่าให้เห็นโทษของกามอย่างตลอดสายและให้เห็นคุณของเนคขมมะอย่างอย่างสูงสุดเนี่ยนะและจึงจกเจริญต่อไปได้แต่ถ้าแต่ก็ยอมรับนะว่าของคาราวะทั่วทั่วไปก็ก็อยู่ในสองส่วนเหนกันเถอะเนคขมมะส่วนหนึ่ง วัตถุกามอีกส่วนหนึ่งแบ่งมาเอาใจธรรมะบ้างแบ่งไปเอาใจวัตถุบ้างเนี่ยนะ ก, ก็ก็อยู่อย่างนี้นะทีนี้แหละทางธรรมะเราเรียกว่าเป็นความคับแคบอย่างหนึ่งเหมือนกัน